มีวันนะสีต่างๆหลายสีเป็นที่อัศจรรย์ของคนที่ได้พบเห็นโอวาทของท่านครูบาพรมจักหนึ่งปัญญาความรอบรู้สสัจจ์ความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงสามจากคะสละสิ่งเป็นค่าศึกแก่ความจริงใจ อุ ป, ปสมะสงบใจจากสิ่งเป็นข้าศึกแก่ความสงบรวมทั้งสี่ประการนี้ท่านเรียกว่าอธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ